ได้เวลาเลอวบอกนะจะได้เริ่มก็อารัธนาฎมนเลยเจ้าค่ะออดีเหมือนกันนะเสียเวลาฟังธรรมะถ้าเคยฟังหลวงพ่อเทศนะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยก็เข้าใจยากนิดหน่อยส่วนมากเวลาเราฟังพระเทศเราก็จะมาฟังห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ หรือให้นั่งสมาธิให้เดินจงกลมให้ขยับมือทาจังหวะให้ทาอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ห้ามอย่างนี้มันมีแต่คำว่าต้องต้องอย่างนี้แล้วก็ห้ามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้เนี่ยไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมีแต่คำว่ารูต้ตามความเป็นจริงรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็น ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากแต่ข้อห้ามพื้นฐานมันก็ต้องทํานะข้อห้ามมีอยู่ห้าข้อเท่านั้นเองคือห้ามทําผิดศีลศีลห้าข้อสำคัญมากคนรุ่นหลังนี้ใจบาปเห็นว่าใครถือศีลเป็นเรื่องโง่ซะอีกความจริงการถือศีลนั้นมันคือการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่น แล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองในบางเรื่องสี่ห้าข้อนะพวกเราต้องรักษาอย่างสี่ข้อหนึ่งห้ามไม่ให้เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นเราชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสิ่งที่เขารักเราก็รักชีวิตของเรารักร่างกายของเราเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยคนอื่นเขาก็รักของเขา ไม่เบี่ยนเบียนทรัพย์สมบัติของเขาคือศีลข้อที่สองไม่เบี่ยนเบียนแย่งชิงคนที่เขารักลูกเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยไปแกล้งประตูสลายลูกเมียเขาเขาก็เศร้าโศกเสียใจลูกเมียเราเราก็รักอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายศีลข้อที่สี่ไปด่าว่าเข า, าไปใส่ร้ายไปสีโกหกหลอกลวงเขาเขารักอะไรเขารัก ชื่อเสียงเกียรติยศของเขาเนะี่ยเราไปใส่ร้ายเขาทำ้ายชื่อเสียงของเขาเงีนยสข้อหนะึ่งสองสามสีเนไม่ทำ้ายคนอื่นไม่ทำลายสิ่งที่เขารักชีวิตร่างกายเขาทรัพย์สมบัติเขาลูกเมียเขาสามีเขาชื่อเสียงเกียรติยศของเขาสินข้อที่ห้าไม่ทำลายตัวเองคือไม่ทำลายสติของตัวเองเน้นเบื้องต้นพวกเรารักษาศีลห้าให้ได้ สีในวงค์มรรคจริงๆก็คือสีข้อหนึ่งสองสาสีนี่แหละสำคัญมากส่วนข้อหนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดสติเป็นไปเพื่อให้เกิดสติสัมมาวาจามันก็คือสีข้อ 4, สี่สัมมารกรรมันตะสีข้อหนึ่งสองสาั้นตั้งใจรักษาไว้ใครมันว่าเราโง่ก็โง่ไปเราอยู่อย่างโง่โงดนะแต่เราไม่ได้เปรียบเป็นคนอื่นชีวิตเราสะอาด คนอื่นดูเขาแหมฉลาดเหลือเกินเบียดเบีย น, นซึ่งกันและกันมากมายแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงดูคนที่เบียดเบียน ป, นปะทุสไลายคนอื่นสุดท้ายเป็นยังไงบ้างหนงังสือพิมพ์ลงขา่าวเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเลยมีเงินมากมายแล้วมีความสุขไหมชื่อเสียงเกียรติยศพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วเขายังอามาดาเลยงั้นเราไม่ต้องคิดมากเลยนะพยายามรักษาศีลห้ข้อนี้แหละ เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต่ำกว่านี้ก็คือเสียความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงต่ํากว่านั้นก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์ในอายภูปุมไปแล้วเบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกันตลอดเวลามีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาจิตใจขึ้นไปอีกลําพังมีศีลเราก็เป็นคนดีนั่นแหละแต่เราก็ยังทุกข์อยู่เราต้องพยายามมาพัฒนาใจของเรา พัฒนาคุณภาพจิตใจ2ระดับระดับแรกคือพัฒนาให้จิตใจมันอยู่กับเ น, นเื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องชี้เป็นชีตายเลยว่าจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าเจริญปัญญาได้โอกาสที่จะได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีถ้าเจริญปัญญาไม่ได้โอกาสที่จะได้มากผลนิพพานไม่มี พ ร, พระพุทธเจ้าท่านฝันทงเลยนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะเข้ามาถึงขั้นเจริญปัญญาได้ต้องมาฝึกจิตก่อนราสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่พวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสมาธิมีหลไรแบบเมื่อสองปีก่อนหลวงพ่อมาเทศที่นี่ทีหนึ่งจะทูเรื่องสมาธิเป็นส่วนมากเลยเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักสมาธิ เราคิดว่านั่งหละบหูหลับตานั่งหายใจไปนั่งขยับมือไปอรเนแค่นี้ก็ถูกแล้วมันไม่ถูกหรอกมันเป็นสมาธิแบบบังคับตัวเองสมาธิมีหลายอย่างนะต้องเรียนถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่มีจิตที่มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาได้คนปฏิบัติธรรมเทียบกับคนภายนอกแล้วคนปฏิบัติธรรมมีน้อยแต่คนปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุผลเนี้ยยิ่งน้อยหนักกวี เพราะอะไรเพราะไม่เรียนเรื่องสมาธิให้ดีพวกหนึ่งก็นั่งสมาธิทาความสงบอย่างเดียวเลยคิดว่าสงบไปแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าสงบแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานหรือสีชีพไรบรรลุไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิมีหลายแบบอย่างจรเจ้าชายสี ธ, ธาตุออกไปบวชสิ่งแรกที่ทําแล้วก็เหมือนพวกเราคิดนะออกไปปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่ทําก็คือต้องไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปหาฤาษี สีนั่งสมาธิเก่งถ้าเรียนไม่กี่วันได้ฌานแปดถ้ได้ฌานที่แปดนะท่านบอกนี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเลยจิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวพอหลุดออกจากความสงบก็กิเลสกลับมาเหมือนเดิมหรือแรงกว่าเก่าอีกนี่พวกติดความสงบนะพอความสงบเสื่อมเนี่ยจิตจะฟุ้งมากกว่าคนปกติจิตมันคิดดอกเบี้ยกิเลสมันคิดดอกเบี้ยเอานิ่งมานานแนละ้วต้องเอาคืน เจ้าชายสิทธาทาัตถาก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองต่อไปนะทรมานร่างกายอยู่หลายปีเลยจนช่วงท้ายๆก่อนจะบราารลุพระอรหันต์ไม่นานหรอกท่านะระลึกได้ถึงสมาธิที่ท่านเคยทําตอนเด็กๆตอนท่านเจ็ดขวบไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่า น, ะนั่งอยู่คนเดียวพี่เลี้ยงบวชไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็ลุกขึ้นนั่งหายใจ ครูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่หายใจเข้าสั้นคีเวิร์ดมันอยู่ที่ไหนคีเวิร์ดไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่ารู้นั่งทําไมต้องครูบัลลังก์ท่านไม่มีเก้าอี้จะนั่งต่นนั้นนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธินั่งได้นานนั่งทับเพียบได้ไม่นานเท่าก็นั่งขัดสมาธิ ถ้าพวกเรามีเก้าอี้นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้ะตัวหลักก็ไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งตัวหลักอยู่ที่คําว่ารู้นะฮะถ้านั่งสมาธิขึ้นมาแล้วหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ทําไมทีแรกมันยาวเวลาจิตจะสงบเนี้ยลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆรื่ทีแรกเราหายใจลมยาวไปถึงท้องพอจิตมันเริ่มสงบเน้อลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกสุดท้ายลมมันหยุดเลยกลายเป็นแสง เนี่ยท่านนึกถึงสมาธิตัวนี้ได้ท่านก็กลัดมาทำใหม่ทำจนถึงฌานที่สตรงเนี้ยฝ่ายปริยัตนะิเขาไม่เข้าใจตอนที่ท่านไปเรียนกับฤาษีได้ฌาน8มันก็ต้องผ่านหนึ่ง 6, 7สาสี่ห้าหเจ็ดไปจะบอกไม่ใช่ทางมาทำเองเข้าฌานหนึ่งสามสี่บอกนี่เป็นทางที่จริงแล้วสมาธิมันมีสองแบบสมาธิอย่างหนึ่งนะจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว อันนี้คือสมาธิที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันคนนอกศาสนาพุทธก็มีอย่า ง, งานนคิดถึงพระเจ้าสวดมนต์ไปเรื่อยคิดถึงพระเจ้าจิตสงบอยู่กับพระเจ้านี่ก็คือหลักของสมาธินั่งนับลูกประคำไปเรื่อยนั่งเพ่งกสินไฟอะไรอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีอารมณ์อันเดียวคือมีไฟเป็นอารมณ์จิตก็สงบสมาธิแบบนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทําให้เกิดปัญญา สมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยจิตไม่ได้ไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแต่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนับจํานวนไม่ท้วนเห็นรูปธรรมจํานวนมากเกิดแล้วดับไปเห็นนามธรรมจานวนมากเกิดแล้วดับไปนี่สมาธิชนิดนี้แหละที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ถ้าเราฝึกไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ฝึกทรมานตัวเองเราอเล่านั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็คือนั่งทรมาน บังคับกายบังคับใจเดินจงกรมก็เดินทรมานตัวเองมันไม่ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวที่แท้จริงให้เกิดขึ้นนั้นต้องพยายามมาฝึกให้มันถูกต้องนะอย่างเรื่องศีลนั่นอยู่ที่เราตั้งใจรักษาเอาตั้งใจรักษาเอาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองแต่เรื่องสมาธิก็ต้องฝึกเอาทํากรรมาฐานสักอย่างหนึง่งเคยทํากรรมาฐานอะไรแล้วใช้ได้ผลสบายใจก็ให้ใช้กรรมาฐานอันนั้นแหละ อย่างที่นี่มีอาจารย์ทางสายโลพเทียนมาสอนสายโลพเทียนเขาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้เคลื่อนให้เป็นถ้าเคลื่อนแล้วก็จิตไปอยู่กับมืออันนี้คือการเพ่งอารมณ์อันเดียวคือเพ่งมือเป็นสมถะธรรมดาขึ้นวิปัสสนาไม่ไดนะ้หรือขยับมือแล้วใจหนีไปคิดก็บังคับมันไม่ให้หนีไปคิดอันนี้คือเพ่งจิตก็ทําวิปัสสนาไม่ได้ดนะังนั้นตัวนี้ตัวสําคัญเลย เราทําพวกที่ทำกรรมฐานกันทําไมมันขึ้นวิปัสสนามไม่ได้จริงยังไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวก็คืออารามณูปนิชานอารามปนูปนิชา น, า น, น, ชานจิตที่เพ่งอารมณ์เดียวเป็นจิตที่ใช้ทําสมถะดูท้องผองยุบ ก, ก็เพ่งท้องเอาท้องเป็นอารมณ์จิตไปสงบอยู่กับท้องอันนี้ก็คืออารามณูปนิชานเป็นสมถะเพ่งอารมณ์ ขยับมืออย่างหลพระเทียนเพ่งมือบ้างเพ่งอยู่ที่จิตบ้างนั่นก็คือเพ่งอารมณ์ใช้มือเป็นอารมณ์ใช้จิตเป็นอารมณ์ถ้าเพ่งอยู่ในอารมณม์เดียวจิตก็สงบเป็นสมถะอีกไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยนะเพ่งอยู่ที่ร่างกายหรือดูท้องฟองยุบเพ่งอยู่ที่ท้องเมื่อไหร่เพ่งอยู่ที่อารมณ์นะเมื่อนั้นได้สมถะแน่นอน จับหลักตัวนี้ให้แม่นนะตรงที่เพ่งอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชานฌานคือการเพง่งเพ่งอะไรเพ่งอยู่ที่อารมม์อารมณ์คืออารมณ์นั่นเองคําว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้ตัวอ็อบเจกต์ตัวจิตคือตัวซับเจกต์เป็นตัวไปรู้ทําอะไรเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อนั้นเป็นสมถะต้องเข้าใจหลักให้ดีนะงั้นทําสมาธิให้ตายเลยมันก็ไม่ขึ้นปัญญาหลวงพ่อนี่แหละทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบ ฝึกอาณาปณะสตินะชำนี้ชํานาญเรื่องสมาธิอยู่คนนึกว่าหลวงพ่อทำสมาธิไม่เป็นน่าตลกมากเลยเราทำได้แต่เด็กเล็กๆเลยแต่ทําได้แต่เจขวบทําอยู่22ปีทําได้แต่ความสงบขึ้นไม่ปรสชนาไม่ได้ขึ้นไม่เป็นคิดว่าวันหนึ่งทําสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเกิดมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดหรอกคนละเรื่องกันเลยเพราะอะไรไปทําสมาธิชนิดให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียว เจอท่านมาเจอหลวงปู่ดูลอปี2525พวกนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดพวกเด็กยังไม่เกิดออกหลวงปู ด, ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองนะหลวงพ่อ ก, ก็มาหัดดูจิตใจตัวเองการดูจิตตัวใจตัวเองนี่มันเป็นสองขั้นนะขั้นแรกเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าจิตศิกษาเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ เราพ่อใช้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตเอาไม่ได้ดูกายเพาดูกายเนี่ยดูปมาเด็กๆแล้วจืดเสียวชืดเลยเบื่อเขาทำสมาธิจิตสงบลงไปนั้นไปดูผมผมหายไปเลยสลายตัวเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหน้หนังศีรษะเปิดไปเลยหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดไปแล้วดูตัวนี่เหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ตามพื้นเลยดูลงไปอีกกลายเป็นแสง กระดูก็สลายตัววัตถุทั้งหลายเนี่ยพอแยกออกไปถึงที่สุดนะกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเองเป็นคลื่นแสงก็เป็นคลื่นเนี่ยเป็นคลื่ น, นคลื่นเท่านั้นเองไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงหรอกเนี่ยใจมันไม่ชอบดูกายรู้สึกจืดชืดดูแป๊บเดียวก็หมดละพอหลวงปู่ ด, ดูลมาให้ดูจิตนะฮะ ด, ดูจิตเอาดูจิตทีแรกเนี่ยมันได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาที่เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไป อันนี้หลักเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถูกต้องะหลักเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะสำนับไหนอย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือขยับมือแล้วรู้ทันจิตเวลาจิตมันหนีไปรู้ทันมันไม่ใช่ขยับมือแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือห้ามจิตไปอยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ที่มืออย่างเดียวหลวงพ่อเทียนไม่ได้ทําอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเทียนรู้อยู่แล้วหลวงพ่อคําเขียนนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนเจอหลวงพ่อแล้วยกนิ้วอย่างนี้เลยเหลือคนเดียวแล้วหน้อาจารย์ ที่สอนเรื่องเจริญสติมีเหลืออยู่คนเดียวแล้วผมไม่อยู่แล้วท่านว่าอย่างนี้นะราอะไรส่วนใหญ่เป็นเพ่งมือไปหมดเลยนะดูท้องเพ่งท้องดูลมหายใจเพ่งลมหายใจใช้ไม่ได้นะให้เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันจิตนี้ไปคิดก็คือเคลื่อนนั่นเองเคลื่อนไปคิด จิตนีไปเพ่งก็เคลื่อนเหมือนกันเคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่ลมไปอยู่ที่อีริยาบดถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าจิตเคลื่อนไม่ห้ามอย่าไปห้ามจิตเคลื่อนนะถ้าห้ามจิตเคลื่อนเป็นบังคับตัวเองทันทีเลยกลายเป็นความสุดโต่งที่เรื่องอัตอตกิลมัทฐานุโยคบังคับตัวเองให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆทาใจสบายเอาทุกคนยิ้มหวานๆยิ้มก่อนยิ้ม Copy. สังเกตไหมตอนที่เรายิ้มใจเราคลายออก ใจเราคลายแล้วตอานีทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่างนี้แหละเหมือนตอนที่เรายิ้มหวานเวลาที่เรายิ้มหวานใจเรามีความสุขนะใจมันคลายออกแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยถนัดขยับมือก็ขยับมื อ, มอไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะรู้ลมหายใจก็รู้ไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายเคล็ดมันอยู่ที่ความผ่อนคลายของจิต สมาธินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นต้องภาวนาด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วสมาธิตัวจริงมันถึงจะเกิดไม่งั้นจะเครียดถ้าทําสมาธิแล้วเคร่งเครียดแนละ้วเลิกซะดีกว่าทําผิดแล้วอย่าขยันนะเรียกว่าเดินผิดแล้วขยันนะยิ่งไปไกลใครเขจะมาตามตามไม่ไหวเลยมันเดินเร็วไปเอ้าเลยนะงนั้นทําผิดแล้วห้ามขยันถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วใจเครียดๆนะเลิกเถอะ ไปทำเลยเสียเวลายิ้มหวานยิ้มก่อนยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยง่ายขนาดเนี่ยถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อเตียงคือเห็นร่างกายขยับมือเนี่ยเราเห็นร่างกายขยับหน้ามันอันเดียวกันไหมก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าไปอย่างหลวงพ่อเตียนเนี่ยแล้วก็เพ่งเครียดนะเครียด น, นี้ใช้ไม่ได้อย่าทํำซะดีกว่า ทำผิดแล้วยากขยันแก้กันนานเคยมีนะบางคนหลวงพ่อไม่แก้ให้ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองกาลเรื่องบวชไม่นานหรอกมีคุณป้าคุณยายคนหนึ่งอายุแปสบเจดมาหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์นะอาจารย์เดียวกันนั่นแหละเรียนจากหลวงปู่เทศแล้วก็ติดสมาธิอยู่หกสกว่า ป, ปีแล้วที่ติดสมาธินะแล้วมันไม่เดินปัญญา อยากจะให้หลวงพ่อสอนให้เดินปัญญาหลวงพ่อดูแล้วคุณยายถ้าจะถอนสมาธิที่ติด60สกว่าปีออกนะจิตจะต้องฟุ้งแหลกเลยอายุของคุณยายไม่ทันแล้วลนะ่ะเพราะมันสงบมานานนะตั้งหลายสิปีแล้วหกสิบกว่าปีแนละ้วเขาถอยออกมาเท่า น, นั้นเองมันจะฟุ้งมากกว่าคนปกติถ้าเกิดตายไปตอนนี้ไปอาบายเลยแต่บอกแกนะว่าให้รักษาสมาธิไว้นี่แหละแต่อย่าทิ้งร่างกาย ให้คอยรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆไปกะวางแผนไว้อย่างนี้ว่าถ้าแก่ตายนะแกเป็นพรหมมีรูปเป็นพรหมมีรูปเนี่ยพระเมตไตรมาตรสรู้นะยังมาฟังเทศได้ค่อยไปแก้กันตอนนัดก็แล้วกันตอนนี้ไม่ทันอนะ <c oughs> งั้นถ้าคนไหนไม่เคยติดเพ่งนะต้องถือว่าบุญนะหลวงพ่อสอนต่อให้ถ้าติดเพ่งนิดหน่อยก็สอนให้ถ้าติดเพ่งสุดขีดนี่ถ้าดูแล้วแก้ไม่ตกหรือแก้ไม่ทันก็ต้องปล่อย นี่เป็นความเมตตานะไม่กั้นไปอบายงั้นพวกเราอย่าดื้อนักก็แล้วกันแต่เท่าที่หลวงพ่อประเมินพวกเราในห้องนี้นะพวกเราคุณภาพทางจิตใจดีขึ้นนะช่วงที่หลวงพ่อมาสอนเราก่อนเมื่อสักสองปีมาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเราทำแต่ความสงบใจนิ่งๆตอนนี้ใจของพวกเรามันตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้เป็นจานวนมากในห้องนี้ ยิ้มหวานเห็นไหมเมื่อกี้ใจมันไม่ยิ้มนึกออกไหมเนี่ยยิ้มหวานพยักหน้าซิพยักหน้าเห็นร่างกายกเ่้นไหวขยับมือสิเนี่ยตอนหลวงพ่อเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะอยากไปดูว่าท่านสอนอยังไงเห็นท่านสอนเออท่านสอนใช้ได้แล้วก็เอามานั่งทําเองใต้ต้นไม้ท่านสอนอยู่ที่ศาลาศาลาไม้นะยาวๆโ ย, ยมเทียนอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งกับเขานั่งเล่นเองขยับขยับ ขยับไปขยับมาอู้สิบสีจังหวะลำคาญว่ะเนี่ยวันนี้ใส่ใจร้อนนะให้ขยับสิบจังหวะเนี้ยไม่ถูกกับโทสะจริตอย่างแรงเลยโทสะจริตทําอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ลำคาญหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่เอาแค่เนี้ได้ไหมฝึกอยู่แค่นี้เองเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจหนีแล้ว ร, รู้สึกเนี่ยฝึกอย่างนี้อีกไม่กี่วันต่อมานะไปเจอเพื่อนไม่เจอนานหลายปีละดีใจที่ได้เจอมันอยู่คนละฝั่งถนน พอใจพุ๊บจะก้าวเท้าไปคุยกับมันพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นน่ะสติเกิดเลยเพราะอะไรเราเคยฝึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วก็บังคับใจทื่อๆท่ายิ่งจะเป็นผีดิบไปเนะี่จะอย่างนี้นะไม่เอาเลยนะเสียผู้เสียคนบางคนเครียดจัดๆนะสติแตกหลพ่อไปเทศลงบันบ้ามาแล้วนะ เ, เทศให้คนฟังนะให้หมอฟังเเทศให้คนบ้าฟังเทศเสร็จแล้วเขาก็ถวายผ้าไตรปกติไปไหนก็ต้องถวายผ้าได้ผ้ามาหลวงพ่อก็ถามหมอบอกว่ามีพระมาเข้าโรงพยาบาลบ้างป่ะฝากเอาไปถวายผ้าเรามีพอแล้วถ้าเราปีฝืนหนึ่งก็ใช้ได้ตั้งหลายปีนะก็แจกแจกกันบอกหมอเ อ, อ๊แต่ที่มันโรงพยาบาลบ้ า, บาพระคงไม่มามั้งหมอบอกไม่ใช่พระเยอะเลยนะ ป่าเยอะเลยไม่เปปลาบ้าเยอะแล้วทำกรรมฐานผิดบังคับตัวเองมากไปถ้าเราหลงใจฟุ้งซ่านไปใช้ไม่ได้นะเวลาเราใจฟุ้งซ่านเราลืมตัวเองนี่ใช้ไม่ได้เลยเวลาที่เราบังคับตัวเองเคร่งเครียดอยู่นี่เขาใช้ไม่ได้ความสุดโตมีสองด้านเราอย่าทำเราเข้าทางสายกลางทางสายกลางคือ ท, ทางแห่งความรู้เน้รู้ตัวแล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไป งั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหนีไปรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตจะฟุง้งซ่านใช้ไม่ได้เป็นการสุขาริการุโยกแล้วก็อย่าไปบังคับตัวเองว่าห้ามฟุง้งซ่านถ้าใจจะหนีให้รู้ว่ามันหนีอย่าบังคับว่าห้ามหนีถ้าห้ามหนีจะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองงั้นหลงไปแล้วรู้นะหลักอันนี้ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันทุ่งและหลวงลลพ่อเตียนขยับไปจิตจิตหนีไปแล้วรู้ทันมันมันคิด คิดเหมือนหนูใช่ไหมรู้เป็นแมวเนยให้มันคิดไปมีแต่แมวไม่มีหนูอยู่ได้ไหมแมวก็ตายสิแมวมันเก่งก็ไล่จับหนูเก่งแมวที่ซ้อมจับหนูทุกวันก็จะจับหนูเก่งแมวที่ไม่เคยจับหนูเลยจับไม่ไหวอสตินี้ก็เหมือนกันนะเราคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดถ้าจิตหลงคิดเรารู้ทันจิตหลงคิดเรารู้ทันสติจะเกิดคนทั่วไปนะมันหลงวันละครั้งเดียว ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้ตัวเลยแต่พอเรามาหัดภาวนานะจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้เนี่ยตอนแรกเราจะหลงสั้นๆแต่หลงบ่อยวันหนึ่งหลงร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยิ่งหลงมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งยิ่งหลงมากก็คือสติเกิดบ่อยมีสูตรนะสติเท่ากับอะไรเท่ากับหลงลบหนึ่งเท่ากับหลงลบหนึ่งะวันหนึ่งเธอหลงหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีสติเลย วันนี้เกิดสติหนึ่งทีก็คือหลงก่อนจะมีสติหลงหลังยังมีสติลงสองมีสติหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งหลงบ่อยสติยิ่งเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยจิตจะเคยชินที่จะมีสติเมื่อจิตเคยชินที่จะมีสติสติจะเกิดเองจะต้องฝึกนะจนมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้สึกเองแต่อยู่ๆมันไม่รู้สึกเราต้องฝึก พุดโทไปก็ได้หายใจไปก็ได้ดูท้องพองยบ ก, ก็ได้นะทาจังหวะก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้แล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันตัวนี้ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้กินหรอกถ้าเราฝึกตัวนี้ขึ้นมาจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะจะเบามีละหุตามีความนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปาคุณตา เหมาะสมที่จะทํางานของวิปัสสนากรรมฐานเรียกกรรมยตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตาเนะี่ยจิตที่เป็นกุศลจริงๆนะจิตที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆเป็นจิตที่เป็นมหากุศลและจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดเองเกิดอัตโนมัติถ้ายัางต้องบังคับให้เกิดแล้วก็อย่าว่าเดินปัญญามันเดินไม่ได้ไม่มีคุณภาพยั้นต้องฝึกจิตเผลอแล้ว ร, รู้จิตเผลอแล้ว ร, รู้ไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะ นักเรียนก็ต้องทำนะเด็กๆต้องทำอยู่ในโลกของความฝันมากไปนะทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดเรารู้ไม่ห้ามนะให้หนีเรารู้หนีเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเล้วใจเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเพอใจเป็นผู้รู้แล้วนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่เป็นคนละอันกันร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดู ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายขยับมือจิตเป็นคนดูร่างกายยิ้มจิตเป็นคนดูเอายิ้มหวันหวาอีกทียิ้มเห็นไหมร่างกายยิ้มจิตเป็นคนดูเนี้ยร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูเนี้ยฝึกไปอย่างเงี้ยฝึกมากๆนะมันจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยโคนละอนกันมันแยกรูปกับนามออกจากกันได้รูปก็อันหนึ่งรูปมันเคลื่อนไหวอยู่รูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้ารูปมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดู ดูอะไรดูรูปมันเคลื่อนไหวดูรูปมันหยุดนิ่งใจมันเป็นคนดูพอใจมันเป็นคนดูขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทันทีเลยว่ารูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราที่เราจเจริญปัญญานะเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะในเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นคือการถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนถาวรเบื้องปลายใช่ไหถอนความเห็นผิดนะว่าขันห้าเป็นตัวสุขจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ในเบื้องปลาย เบื้อง้นยังไม่เห็นตัวทุกข์หรอกเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราคันคันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเรางั้นวเวลามันจะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเนี่ยความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าไม่ใช่เราเห็นกล่องนี้ไหมใครรู้สึกว่ากล่องนี้เป็นตัวเราบ้างยกมือสิสารภาพมาจะได้ส่งจิตแพทย์ต่วนเลยอาการหนักแนละ้วะนี่ดูข้างนอกนะดูง่าย ใครเห็นอันนี้เป็นตัวเราบ้างไม่มีหรอกถ้าเห็นอย่างนี้ก็บ้าล้เอาใหม่นะเอาใกล้เข้ามาเรื่อยๆยกมือของตัวเองขึ้นมาแล้วขยับมือใครเห็นว่ามือนี้เป็นเราบ้างก็ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันจะเห็นเลยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่มือเราไม่ใช่เราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกเอาใหม่ขยับมือยากไปยิ้มหวานก่อน ยิ้มหวานทำไมต้องยิ้มหวานยิ้มหวานให้ใจมันผ่อนคลายเห็นไหมร่างกายมันยิ้มเห็นไหมร่างกายพยัยหน้าเห็นไหมร่างกายมันถูกเรารู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าถ้าพอเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะร่างกายไม่ใช่เราแล้วตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าการที่เขาหัดแยกรูปแยกนามนะเพื่อจะเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามแสดงใจลับนะอย่างถ้าเมื่อวานกโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่คตรละอันกันต้องเห็นเลยความโกรธอันนี้ผุดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาจเจริญปัญญาจริงๆต้องเห็นลงปัจจุบันจริงๆจะเห็นได้นะใจต้องเป็นคนดนะูอย่างเราเห็นร่างกายนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดู ต่อไปเราจะดูใจตัวเองขณะนี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือสิยกมื อ, มอนะสังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสังเกตไหมหัดดูอย่างเนี้ยความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพอดูอย่างนี้ปุ๊บความสุขจะไม่ใช่ตัวเราลเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเหมือนในกล่องที่ชู้เนี้ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้าใจเราเห็นกล่องที่ชู่โดยอาศัยตาผ่านทางตา นี่ถ้าเราเห็นความรู้สึกนีผ่านทางใจนะผ่านทางใจใครรู้สึกเครียดบ้างใครรู้สึกงงเอา้าใครรู้สึกงงยกมือขึ้นอย่าให้หลงพ่อชี้เองนะอย่าดอกนะไม่มีทางหรอกคนเรารุ้นกันเอาลงได้ทำไมเรารู้ว่างงถ้าเราสภาวะนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สุขเราก็รู้จักใช่ไมทุกเราก็รู้จักงงเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จัก ห speed, really, ัดดูสภาวะไปเรื่อยๆหัดดูสภาวะเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงสภาวะความงงเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปเราสักทักหนึ่งเราจะเห็นได้ความงงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะโลกหรดลงก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่นานหรอกมันจะเห็นได้ว่าสภาวะทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราหรอก จ him, like humans, along, ิตไปเห็นมันเหมือนเห็นคนอื่นเราจะมีความรู้สึกนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกแล้วจะรู้สึกเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสนาเป็นความรู้สึกของจิตเนี่ยเคลื่อนไหวไปไม่ฝึกเอานะฝึกเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเบื้องต้นก็ฝึกให้จิตอยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันจิตที่หนีไปนี้มาพอรู้ทันจิตอยู่กันเนื้กับตัวแล้ว นั่งยิ้มไปนั่งพยักหน้าไปแต่แนะนําว่าอย่าไปให้คนอื่นเขาเห็นนะเดี๋ยวเ้าสับสนนะคนในโลกมันไม่ก็มีศีลมีธรรมไม่รู้ว่าการเจริญสติเป็นยังไงอย่างเรานั่งยิ้มนะคนนึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัตินะที่จริงเราปฏิบัติขั้นสุดยอดเลยเ <c oughs> ขาเขาคิดว่าต้องท่านี้เดินต้องเดินจงกรมอย่างนี้ถึงจะเป็นนักปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าแค่ยิ้มก็ปฏิบัติแล้วนะอย่าว่าแต่แค่ยิ้มเลยแค่เก่าเนี่ยเขาปฏิบัติแล้ว เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยพวกเรานั่งเกากันยุกยิกตลอดเวลานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเก่าเราไม่รู้ตัวนึกออกไหมคันก็เกาหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี่เกาหลวงพ่อตั้งอยู่ตัวนี้เห็นเลยนะว่าพวกเรานั่งยุกยิกยุกยิ๊กนะเลยเริ่มเชื่อแล้วมนุษย์พัฒนาจากลิงพัฒนามาก็ยุ๊กก็ยิกตลอดเวลาไม่เหมือนพวกเทพนะพวกเทพจะนั่งกันเรียบร้อยยิ่งพวกมานี่เรียบร้อยกว่าพวกเทพปกติ เรียบร้อยมากเลยแต่พวกเราไม่เคยเห็นก็แล้วไปเราดูมันในใจเรานี่ใครเคยเห็นเทพในใจตัวเองบ้างเวลาใจเราเป็นวุญเป็นกุศลนะใครดูสิใจที่เป็นวุญเป็นกุศลสงบเรียบร้อยนะเนี่ยใค่อยๆดูไปดูของเราเองนะดูในกายดูในใจรู้สึกไปสบายสบายรู้สึกเพื่อให้เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา คามรู้สึกนึกคิดทางใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอย่างความรู้สึกทางใจเนี่ยมันเกิดได้เองเราสั่งให้เกิดไม่ได้อย่างเราสั่งให้จิตใจมีความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้สั่งบอกว่าอย่ากโกรธบางทียังโกรธเลยที่บอกว่าอย่ารักยังรักเลยนะห้ามไม่ได้คําว่าห้ามไม่ได้บางคำไม่ได้คือคําว่าอนัตตาคําว่ามันอยู่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปเรียกว่าอนิจจังนะนี่เราจะดูสภาวะนะดูของจริง ดูอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหรอกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไม่ใช่ตัวเราเห็นไปเรื่อยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราสั่งมันไม่ได้นะเอายิ้มอีกทีหนึ่งทำไมต้องให้ยิ้มบ่อยๆเพราะเริ่มขาดสาติแล้วรู้สึกไหมฟังไปเรื่อย <aspect> ๆนะจิตก็เริ่มรวมรวมกับอะไรรวมกับโมหะนะรวมซึมไปเลยนะ เทศหลังกินข้าวเนี่ยหลังกินข้าวของวันเนี่ยนะเป็นการเทศที่ยากที่สุดเลยเทศตอนเช้าเ้าส่วนมากหลวงพ่อจะเทศเช้าเช้าเทศตอนเนี่ยบ่ายโมงเป็นต้นมานี่นะต้องต่อสู้กับพญานาคมันจะเลือ้อยลูกเดียวอะ่ะ <laughs> เห็นไม่เวลาเรายิ้มใจเราเปิดออกเนี่ยเรารู้สึกตัวไปด้วยใจที่เปิดอย่างนี้ อย่าไปทําใจขมวดขมวดนะอย่างใส่แว่นเนี้ยไม่เอานะใจอย่างนี้ไม่เอาใจเงี้ยไม่เอาเลยนะใจอย่างนี้จะไปได้เรื่องอะไรเออใช้ใจอย่างนี้นี่ก็เพ่งไปรู้สึกไหมมันทื่ออย่างเนี้ยไม่เอานะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดา เด็กๆนักกักปฏิบัติเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยคนละจุดกันเด็กๆ เ, เนี่ยมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่ค่อยมีสติเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายจิตกระทบอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติธรรมดานี่ข้อดีของเด็กนักปฏิบัตินะมีสติแต่มีจิตใจที่ไม่เป็นธรรมชาติจิตใจแข็งแข็งสวมหัวใจเด็กไว้แล้วมีสติ นั่นแหเป็นนักปฏิบัติตัวจริงแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะในกายในใจเราเนียเป็นของชั่วคราวหัดดูอย่างนี้บ่อยๆหัดดูอย่างนี้ให้มากนะฝึกมากๆถ้าฝึกได้นะในเวลาไม่นานชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คนฟังซีดีหลวงพ่อนะประมาณเดือนเดียวเปลี่ยนกล้าท้าแล้วนะบางคนฉลาดน้อยหน่อย2สามเดือน ก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ธรรมะของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจคนได้ใจที่มืดบอดก็กลายเป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจที่โง่งงมงายนั้นก็เป็นใจของคนฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เพราอนไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะมีหรือยังถ้าไม่มีไปขอที่วัดก็ได้นะเวลาหลวงพ่อไปเทศบางทีเขาเข้าไปแจกถ้าไม่มีก็ไปเปิด อินเทอร์เน็ตนมีเยอะแยะเลยนะ But, มีให้ให้ดูให้ฟังอดทนนิดนึงในเบื้องต้นนะทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกในเวลาเดือนสองเดือนเท่านั้นแหละเราจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจมันจะเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ด้วยว่าเราเปลี่ยนแล้วในห้องนี้ใครรู้ตัวบ้างว่าเปลี่ยนแล้วยกมือสิเดี๋ยวหลวงพ่อจะไล่จิกเลยนะไอ้พวกที่เปลี่ยนแล้วยังไม่ยอมยกมือ เนะถวไม่ยอมเปลี่ยนเลยเหรอยังชั่วยอย่างเดิมเลยเหรอนะอย่ามาหลอกนะไม่มีทางหรอกวะเห็นหน้าก็รู้เลยนะหลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยหลวงพ่อรู้เลยว่าใครฟังซีดีหลวงพ่อหรือใครปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสอนดูหน้าก็รู้ลนะไม่ต้องดูอะไรมากหรอกเพราะหน้าตามันไม่เหมือนมนุษย์ปกติ <laughs> มนุษย์ปกติหน้าตาเป็นไงหน้าตาห ง, งิกเนี้ย หน้าตาอมช่ชโรคอมกิเลสอะ่ะส่วนใจของคนซึ่งมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาั้นมันเป็นอีกแบบหนึง่งใครรู้สึกว่าหน้าของเราเปลี่ยนบ้างหลังจากภาวนาแล้วยกมือสิมีบางคนน่ายกเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แกกว่าเก่าโอ้โห <laughs> oh, หักมุม <laughs> อย่างนี้ง้อง้อแหม <laughs> อย่างเวลาใจเราเครียดเนี่หน้าเราก็เครียดใช่ไหม ใจเราผ่องใสหน้าตาเราก็ผ่องใสนะงั้นเวลาใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้าตาเราก็บอกยี่ห้อใช่เราเป็นผู้หลงหน้าตามันก็บอกยี่ห้อนะงั้นดูหน้าก็รู้แล้วแล้วเราก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเราเปลี่ยนสรุปนะสรุปเพศมาตั้งยาวแล้วก่อนที่เด็กจะหลับตามสถิติเนี่ยเด็กเรียนรู้อะไรยาวๆไม่ไดนะ้เรียนรู้ได้ประมาณไม่เกินสี่สบหนาที ประมาณนั้นแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะเหมือนกันแหละ <c ười> คือสมองมนุษย์เนี่ยมันจะสดชื่นในการรับข้อมูลใหม่ๆเราเราวสนาทีนะั้นหลังจากนั้นมันจะเริ่มเฉื่อยเนเวลาหลบพ่อเทศเนี่ยเทศไม่เกิน45นาทนะีเทศตอนที่ยังพอรู้เรื่องแต่ว่าบ่ายวนันนี้ต้องเทศน้อยกว่านั้นหน่อยเพราะมันง่วงความง่วงมันแทรกซึมพวกเราทาให้ใจเราฟุ้งซ่าน ง, ง่าย สรุปนะสิ่งที่สอนวันนี้เลยคือตั้งใจรักษาศีลห้าไม่โกรธศีลห้าไม่ต้องขอที่พระศีลห้าให้ตั้งใจรักษาเอาด้วยตัวของตัวเองบางคนไปขอกับ พ, พระก็ดีเหมือนกันเป็นการปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าจะถือศีลเคยมีนะพระบางองค์มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์องค์หนึ่งคนมาขอศีลท่านก็ให้ตลอดเลยนะศีลท่านหมดเลยนะศีลท่านไม่เหลือเลยตอนเนี้ย ถูกจับสือไปเลยงั้นศีลนัเราตั้งใจรักษาเอาเองไม่ต้องไปขอจากใครหรอกตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสติของตัวเองตั้งใจอย่างนี้แล้วทุกวันแบ่งเวลา15้านาที20สนาทีพอไม่ต้องมากาวันหนึ่งสิบห้นาทีหรือ20นาทีก็พอแล้วไม่ต้องมากนะไหวพร้าสวดมนต์สักนิดหน่อยแล้วก็ทํากรรมาฐานอย่างหนึ่ง อะไรก็ได้ที่ถนัดถนัดพุทโธก็ได้ถนัดหายใจก็ได้ถนัดดูท้องพองยุบถนัดจะทำจังหวะอย่างลงพัดเทียนก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบทำไปเพื่อรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตไหลไปคิดเราก็รู้รู้ทันจิตที่ไหลไปเมื่อเรารู้ทันจิตที่ไหลแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเพราะจิตที่ไหลเป็นจิตที่มีอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่าน เมื่อไหร่มีสติรู้ทันว่าฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะว่ากิเลสจะไม่เกิดควบควบคู่กับสติเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติถ้าอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนี่แหละจิตสงบเองและสงบดีด้วยสงบแบบตั้งมั่นเป็นคนดูเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนะต่อไปก็ฝึกจเจริญสติจเจริญตัญญาละ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปให้มันกระทบมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะมีลิ้นก็ไปกระทบรสเข้านะมีร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสไปไม่ว่าแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้ให้รู้ทันสภาวะทั้งหลายนะแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะั้น อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้นะฮัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อ30ปีก่อนนะยีกว่าปีสาปีก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลวงพระพุทธเนี่ยเป็นมหาด้วยนะเป็นท่านมหาแล้วก็เก่งเรื่องสมาธิเรื่องอะไรนี่เก่งแต่คนนึกว่าท่านทําสมาธิไม่เป็นนะเพราะว่าคนไปย่อเย้ยว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นเคยมีท่านเล่าให้ฟัง นิมนท์ท่านไปงานพุทธาพิเศษรู้จักไหมพุทธาพิเศษไปนั่งหลับหูหลับตานี่แหละเนี่ยก็เสกให้พระคลังก็คลังนะ้ำก็คลังเหมือนกันนี่พอเจ้าภาพคนหนึ่งเห็นว่านิมนต์หลวงพ่อพุธมานะก็ว่าพักพวกเลยพี่ น, นิมนต์มาทําไมพระองค์นี้เป็นพระปริยัตจะมานั่งสมาธิมันจะได้เรื่องเหรอแม่หลวงพระพุทธตอนนั้นยังหนุ่มนะท็อกแม่มันดูถูกเจ็บใจ ท่านอนธิษฐานจิตเลยนะพอขึ้นนั่ ง, งวนธสา ม, มารถทุปอธิษฐานเลยให้จิตรวมจิตรวมปุ๊บเลยนะดับความรู้สึกไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีนะสว่างแนละ้วตั้งแต่กวัวดข้าจนสว่างแนละ้วยาโยมนะจับท่านลงมาจากธรร ม, มาทุปแล้วท่านไม่ได้มีความรู้สึกทางร่างกายอยู่เลยจิตเนี่ยเด่นดวงสว่างสวัยอยู่ร่างกายท่านไม่รู้สึกเลยเจ้าภาพบางคนนะเสียใจร้องไห้เลยบอกเราไม่น่าเป็นนิมนต์ท่านมาหามาเลย นั่งสมาธิไม่เป็นตายไปแล้วนั่งสไตล์ไปเลยเนี่ยความจริงจิตรวมลึกเลยนะนไม่หายใจเนี่ยท่านชานานขนานนี้นะคนยังคิดว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นเคยอย่างนี้ท่านก็เคยสอนตัวท่านอชอบสอนกรรมฐานบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชอบเจอหน้าที่ไรนะ่เจอใครให้พูดอยู่ประโยคนี้ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานเลยใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะีน่เลยยอดกรรมฐานเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายใช่ไหมร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจท่านเป็นคนดูแล้วใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดคือการรู้รูปรู้หนามนั่นเองนั่นคาสอนของท่านนะแต่ท่านแอปพลายภาษา ไม่มีคําว่ารูปคำว่านามอะไรให้คนโตกตกใจหรอกบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดก็มีสติไปสิเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปนี่แหละกรรมฐานนะแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้ใจเราต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะถ้าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองจะมายืนเดินนั่งนอนมันก็ฟุ้งซ่านไปเท่านั้นเองใช้อะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนัต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะสินาที20นาทีก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไป พอรู้ชำนี้ชํานาญแล้วจิตมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาคราวนี้ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนะจะเห็นร่างกายเห็นจิตใจนะทำงานจิตเราเป็นคนดูเห็นร่างกายทํางานมาเห็นจิตใจทํางานจิตเป็นคนดูอยู่สุดท้ายปัญญามันจะเกิดมัเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเห็นได้อย่างนี้จะได้ประโสดาบันดูถัดจากนั้นไปอีกก็จะเห็นความจริงว่าไอ้ตัวที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราขั้นห้าที่ว่าไม่ใช่เรามันเป็นอะไรขั้นห้าเป็นตัวทุก์ ท้าเมาไรเข้าใจแจ่มแจ้งว่าขันห้าเป็นตัวทุกรเรียกว่ารู้อริยสัจแลรู้ทุกขสัจพวกเราสนใจธรรมะธรรมโมเรารู้จักคำว่าทุกขสัจไหมทุกอริยสัจนะ่นะทุกสมูทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคืออะไรให้บอกสังขิตเตนะปัญจุปาานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกแต่พวกเรายังไม่สามารถเห็นว่าขันห้าหรือรูปนามกายใจนี้คือตัวทุก เราไปเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเมื่อเราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางไม่ได้จนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้นะถึงจะวางถ้ายังมีช้อยให้เลือกว่ามีทางสุขอยู่นะจิตจะนี้ความทุกข์วิ่งไปหาความสุขตลอดเวลาจิตจะปรุงไม่เลิกหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งวันนั้นจะละสมุดไถจิตจะหมดความอยากอัตโนมัติเลย รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ลาสมุทยัยเมื่อนั้นลาสมุทยัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเลยแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อรหันตมรรคก็เกิดตอนนั้นแหละนะงันการรู้แจ้งในอริยสัจนั้นะเป็นหัวใจสูงสุดนะเป็นจุดสูงสุดปัญญาสูงสุดก็คือการรู้แจ้งในอริยสัจนี่เองนะอริยสัจนี่เรารู้ที่กองทุกคือรูปนามกายใจนี่เห็นความจริงของเขาเรื่อยไปเบื้องต้นตจะเห็นว่าไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบานั<ม>าบานเบื้องปลเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ก็เป็นพระอรหันต แต่ก่อจะไปเห็นได้ไมใจต้องอยู่กับเนื้อกัตัวต้องฝึกต้องรักษาศี่ห้านะพอไปไหมถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะไปฟังซีดีไปฟัง YouTube ที่หลวงพ่อเทศไหมนะไม่ใช่ให้ฟังซีดีเพลงนะไปฟังบอกไปฟังซีดีเนี่ยฟังทุกวันเลยอัลบั้มใหม่ออกรู้หมดเลยทำไมผมไม่บรรลุสักทีมันมีถีบเอาก็บุญแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นนะ่ะให้ไปฟังซีดีของหลวงพ่อ จริงไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ทำเองนะเนี่ยก็มีทีมงานทีมพวกนี้ไม่ได้ตังนะไปไหนก็จ่ายค่ารถจ่ายค่าลูบินตามไปถ่ายทอดนะเอาไปทําเว็บไซต์ทําอะไรต่ออะไรหลวงพ่อไม่ต้องเสียตังจ้างเลยเขาทําเองเขาทําเพื่ออะไรเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้าเพื่อกระจายธรรมะออกไปทีนี้เขาภาวนาเขาเข้าใจขึ้นมาเขาก็อยากเผยแพร่ต่อพวกเราทุกคนมีหน้าที่นะเรียนให้เข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจแล้วบอกต่อนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธฝึกตนดีแล้วก็ฝึกผู้อื่นต่อไปรักษาสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ได้อย่าให้สูญไปในรุ่นของพวกเรานะธรรมะของศาสน า, าพุทธเนี่ยงอนแง่นคลอนแคลนลมหายตายจากง่ายที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะของคนพึ่งตัวเองเป็นธรรมะของผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมะร้องขอให้คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยให้เทวดาช่วยอะไรไม่ใช่ เน้นธรรมะอย่างนี้อยู่ยากเพราะมันฝืนนิสัยธรรมชาตมิมนุษย์มนุษย์เป็นลูกแงนชอบให้พ่อแม่ช่วยตอนเด็กๆโนะตขึ้นก็เรียกครูช่วยเรียกอาจารย์ช่วยแต่งงานแล้วก็เรียกให้เมียช่วยอ๋อสารพัดเลยเนะี่ยมีลูกก็อยองให้ลูกช่วยอีกนะมันไม่ค่อยอยากคิดพึ่งตัวเองเท่าไหร่เนะงินศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ลําบากแล้วเป็นศาสนาที่สมเหตุสมผลคนในโลกไม่ค่อยมีเหตุผลใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนะื่อง ศา ส, สนาอยู่ลำบากศา ส, สนาพุทธนะเคยมีคนนับถือกว้างขวางมากเลยตอนนี้เหลือนิดเดียวนะเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศเมืองไทยเหลือนิดหน่อยชาวพุทธเหลือแต่เปลือกพมามียอะหน่อยพมา่าเพราะยังไม่ได้เปิดประเทศตอนนี้เริ่มเปิดประเทศละอีกหน่อยก็เหมือนเมืองไทยที่ลังกามีหน่อยหนึ่งที่เหลืออื่นๆก็น้อยเต็มทีไม่ค่อยมีหรอก โอกาสที่ศาสนาพุทธจะสูญไปนี่มีในวงการศาสนาเมืองไทยเองก็มีลัทธิเดลัทีที่แทรกเข้ามาในพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกินคนไทยเ็าแยกไม่ออกว่าอันไหนคือคำสอนของพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่มั่วไปหมดเลยนั่นต้องเรียนนะแล้วก็ฝึกจนเห็นคนด้วยตัวเองแล้วช่วยกันรักษาสืบทอดพระศาสนาไว้นี่คืองานของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้ พอสมควรแก่เวลาใครจะส่งกันบ้านว่ามากราบนมัส ก, การครับหลวงพอ่อไม่ได้ส่งกันบ้านมาสักสี่ปีกว่านะฮะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นไ ด, ไ ด, ได้ได้มีโอกาสเป็นพระไปบวชแล้วก็มาส่งกันบ้านกับหลวงพอ่อแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากศึกออกมานี่ก็ต้องรผชนกับโลกเยอะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะมาก คือลึกๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันมันแย่ลงแต่ว่าไม่นานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันมีการพัฒนาขึ้นถึงแม้เราจะเจอกันโลกเยอะขึ้นกิเลสมาลุมเล้ามากขึ้นแต่ทําให้รู้สึกลึกๆว่าเนี่ยเราปล่อยวางกับกิเลสกับสิ่งที่มากระทบตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถามว่ายังมีความยังหลงไปตามโลกโลกโกนหลงก็ยังมีครับผมรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยมันทําให้ รวมตัวตนขึ้นมาเป็นคราวๆถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บมันก็จะหายไปโดยเฉพาะถ้าเป็นเวทนาแรงๆทั้งทางกายเลยทั้งใจเนี่ยมันจะดึงตัวเราแบบปฏากิริยาชักออกมาเลยแ บ, แบบแบบคุมตัวเองไม่อยู่ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มมีสติอย่างฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าจิตใจเป็นกุศลมันก็เหมือนกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ซึ่งผมก็ผมก็ฟังปุ๊บมันก็รู้สึกเออมันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ก็ ไม่ได้ส่งนานก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาช่วยทุบนะครับว่ามีอะไรที่ควรจะพัฒนาได้บ้างขณะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงครับไม่ถึงนะให้รู้ตันนะครับส่วนนี้นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาต่อไปได้หรือเปล่าครับรารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนคืออันแรกเลยสมาธิไม่ค่อยพอสมาธิไม่พอเนี่ยจิมจะไม่ค่อยเข้าฐานจะออกไปรับอารมณ์แล้วมันไปหลงอยู่กับอารมณ์จุดอ่อนของคารวาสอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ค่อยต่อเนื่อง ทำบ้างไม่ทำบ้างเราะั้นเราต้องใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติทุกวันไม่เลิก <Okay. S 1> ถ้าทุกวันต้องทำหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคาวาะไม่เคยคิดนะว่าคารวะจะทำไม่ได้เชื่อว่าคารวะทำได้สอนที่แรกนะออกมาสบวชแล้วมาสอนที่แรกเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์อย่างทวงหลวงพ่อเลยบอกประโมทสอนยากไปสอนคาวาะนะให้ทำทานถือศีลก็พอแล้วหรือพานั่งสมาธิามาสอนถึงขั้นเดินปัญญาคารวะทำไม่ได้ หลวงพ่อครับค ร, บครบแต่ไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อก็เราเคยฝึกเป็นตด้แต่เป็นฆราวาสใช่ไหมเราแยกธาตุแยกขันเห็นรูปนามสแสดงไตรลักษณ์ได้แม้ฆราวาสก็ทําได้แต่ว่าเราต้องเด็ดเดียวอย่างหลวงพ่อนะวันหยุดเนี่ยเก็บวันหยุดไว้บรรลาอะไรพวกนี้เก็บไว้หมดเลยแล้วเวลาตอนมาคะวิสาฆะเข้ า, ว, า, ขาวันสาวันเฉลิมเลยเนี่ยไปภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์ภาวนาไม่ไปเที่ยวที่อื่นหรอก แล้วก็การปฏิบัติเนี่ยไม่เว้นวักตื่นนอนมานะร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าก็รู้นะร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรก็รู้ตั้งแต่ตื่นเลยแล้วนะจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรก็รู้ตลอดเลยยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นเองเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดนะมันต้องจดจ่อกับงานไม่สามารถเจริญสติสมาธิอะไรได้แต่เวลาอื่ น, นจะคอยดูของเราเองเรื่อยๆไปฉะนั้นฆราวาสก็ทําได้ถ้าทําให้ต่อเนื่อง เก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะอย่งในหลวงพ่อนาเก่งในหลวงท่านเคยเล่าถวายหลวงพ่อกเกษมเขียมโกนะสิ้นไปลนะท่านบอกว่าท่านมีเวลานิดหน่อยบางทีไปเตรียมจะต้องมีประบรมราโช ว, วาตมีอะไรอย่างนี้นะท่านเตรียมอะไรของท่านเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถไปมีเวลาหนาทีเลยท่านก็ปฏิบัติแนิดเดียวท่านก็ปฏิบัติถ้าพวกเรามีเวลาหนาทีเราทิ้งเลยใช่ไหมเราทําใจลอยไปดีกว่า เนี่ยมันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวนะถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยถ้าชั่วโมงหนึ่งเราเก็บได้ห้านาทีเนี่ยวันหนึ่งเยอะนะสิบสองชั่วโมงชั่วโมงละห้านาทีได้เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งละนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยเพิ่มชั่วโมงของการปฏิบัติได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งเราได้เกินห้านาทีคิดดูสิเราปฏิบัติแทบทั้งวันเลยยกเว้นเวลาทํางานจดจ่อกับการคิดจริงๆเท่านั้นเองเราั้น คารวะก็ทำได้นะถ้าตั้งใจจะทำแต่อย่าหมกมุ่นต้องฉลาดจะขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาและอจริยาบูชาด้วยครับสาธุดีนะพทธเจ้าชอบนะท่า น, น, นชอบให้เราปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่กลับหลวงพ่อคะ่ะหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อหกปีที่แล้วคะ่ะหนูร้ายเท่าเก่าไหม หนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะอตอนนั้นหลวงพ่อให้ดูความโกรธนะคะทุกครั้งที่ร่างกายเอเกิดความโกรธมันจะเป็นก้อนอยู่ในร่างกายใช่อยู่ในอยู่กลางหน้าอกเลยใชแล้วบางทีมันก็ลงไปข้างล่างแล้วบางทีมันก็ขึ้นมาบนหน้าเอถ้าขึ้นหน้าเนี่ยเตรียมตีกับคนละมันขึ้นอย่างรุนแรงคก็จะเห็นชัดว่าเราบังคับมันไม่ได้หรือมันก็มาหรืวมันก็ไปได้ดูไปหน้ามันเกิดเองดับเองแต่มันไม่เที่ยง ปีที่ผ่านมาเริ่มดูร่างกายเป็นก็จะสังเกตว่าเวลาเดินก็จะมีสติขึ้นมาทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นเดินเดินเดินช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ค่ะพอดีเดือนที่แล้วมีเหตุให้ต้องไปทําการผ่าตัดเล็กที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรใจมันเหมือนเป็นทะเลที่มันไม่มีคลื่นนะคะไม่ได้มีความรู้สึกยินดียินไล่กับสิ่งที่ได้ยินจากหมอหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็เข้าห้องผ่าตัด ก็ดูตัวเองอยู่นอนอยู่ดูใจดูกายไปเรื่อย hmm. อ่าพอถึงตอนที่หมอฉีดยาให้หนูนอนแต่ว่าหนูยังไม่หลับทุกคนก็มาลุมมองว่าเมื่อไหร่คนไข้คนนี้จะหลับเพื่อที่จะได้ทําการผ่าตัดตอนนั้นมันเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ดูที่ความกลัวแล้วหลังจากนั้นมันก็ดูอะไรไม่ได้เลยเราก็กลัวมากมาดูอีตัวอีกทีนึงตอนที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วอยากถามหลวงพ่อว่าถ้ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกหนูต้องทํายังไงคะทําอะไรไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นเอง มันอยู่ที่การฝึกของเราก็คือยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมคะมันยังกลัวแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราไม่ใช่พระอนาคามีมันยังรักร่างกายนี้อยู่เป็นเรื่องปกติกลัวแล้วรู้ว่ากลัวอย่าไปถึงขนาดว่าห้ามกลัวนะมันเวอร์ไปรู้อย่างที่มันเป็นหลวงพ่อคะแล้วกับความรู้สึกเบื่อหน่ายการเวนไปเบืตัวนี้เบื่ตัวนี้ยังเป็นโทสะนะยังไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ คถ้านิพิทาจะเป็นอีกแบบนะค่ะเบื่อสุขกับทุกเท่าเท่ากั น, นแต่อันนี้เราจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึง่งยังเป็นโทสะอยู่หนูยังอยู่ในร่องในรอยอยู่หนูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี้ร้ายมากเลยนี่หลวงพ่อถาม <laughs> <laughs> เห็นแล้วน่ากลัวมากเลยพร้อมจะตีใครก็ได้ <laughs> ดีใช่ได้ฝึกแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะดี อ้าว่ามาไม่ต้องกลัวหรอกภาวนาดีอะบอกก่นอนพอดีว่าเพิ่งเริ่มฝึกค่ะเริ่มฝึกนั่นแหละดีสังเกตไหมหกายกับใจคุ้นละอันกัน <c oughs> ขันมันแยกเป็นแล้วนะเมื่อขันมันแยกได้นะต่อไปนี้การภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากหรอก <c oughs> เราดูกายมันทํางานไปเห็นกายมันหายใจเห็นกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นกายกินข้าวเห็นกายขับถ่ายใจล้วเป็นคนดูแต่อย่าให้ใจเหมือนตอนนี้นะใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย แอยนี้แข็งไปถ้า ใ, ใช้จิตใจที่ธรรมดาใจของคนปกติใจของคนปกติมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนุ่มนวลไม่ถื่อๆทือไปไหมเป็นบางครั้งเพราะว่ามันด้วยความว่าตั้งใจเกินไปออนั่นแหละตั้งใจเกินไปโลภนั่นแหละเลยไบังคับตัวเองนะเราต้องแก้ไงคะแก่ไม่ได้ออ <laughs> ให้รู้อย่างที่มันเป็นที่หนูฝึกนะใช้ได้แล้วล่ะไปฝึกต่อ ขันมันแยกได้ดว อ, อกแล้วละ่ะข่ะขอโอกาสค่ะก็ศึกษาทางซีดีมาประมาณปีกว่าค่ะแล้วทีนี้ก็ฟังหลวงพ่อบอกว่าให้สันโดษปาลกความเพียรอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออเราอยู่กับโลกมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เราพอดีมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมมาห้าวันนะคะก็รู้สึกว่าเออออกมาแล้วเรา <c oughs> เราบทุกน้อยลงมากขึ้นนียค่ะระวังนะปฏิบัติธรรม เมบางคนไม่ทุกเลยสติแตกนะเชินเออทั้งวันเลยก็มีนะก็ทุกแบบทุกสั้นขึ้นแบบรู้ตัวมากขึ้นนะคะอย่านั้นใช้ได้แต่หนูก็อตื่นเต้นค่ะคือหนูอยากมาขอกันบ้านนะคะว่าคนทํายังไงต่อไปค่ะอยู่กับปัจจุบันไปค่ะเห็นกายเห็นใจเขาทางานไปนะะแต่ถ้าเข้าฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ทําความสงบเป็นระยะระยะเราฟุ้งเก่งค่ะทําใจสงบเป็นระยะระยะไปแล้ว คือหนูนั่งช่วงนี้นะคะคือนั่งเวลานั่งสมาธิแล้วมันเวลาขาปวดมันรู้สึกว่ามันปวดที่ขาแต่ใจมันไม่ปวดงีเออ้เราเพ่งหรือเปล่ขาขะเนี่ยแหละขันมันแยกได้ออสังเกตดูต่อไปนะปวดก็ไม่ใช่ขาขาอยู่อันหนึ่งนะปวดอยู่อันหนึ่งจิตอ ย, อยู่อันหนึ่งคุ่้มละานกันพอดีขายของก็เวลาเดินก็จะดูตัวเองเดินเดินเดินทำงานไปเงี้ยเอออย่างเนี้ยาขายดี <laughs> ก็ขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะสังเกตไหมอย่างเนี้ยคนจะชอบซื้อของเราเนาะเพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่มันโ่องใสมันโ่องใสมันเป็นธรรมชาติมันดูไม่ไม่เขี้ยวอ่ะบางคนอาเพียงไปซื้อของมนนันต้องระวังมากเลยกลัวมันข้าวก็อยาก ตอนแรกจะไม่ไม่อยากเล่าเรื่องนี้ค่ะแต่ตอนนี้ชักอยากเล่าแล้วค่ะก็คือตอนที่ไปปฏิบัติที่นะคะวันที่สามของการปฏิบัติพอดีหนูนั่งแล้วปวดขามากแล้วนึกถึงคำหลวงพ่อพูดว่าเวลาปวดขาก็อัดอัดอัดแล้วก็นึกถึงกระดูกสักชิ้นนึงแล้วพ่อหนูแบบงืกงงักงักเหมืนจะงายด้วยค่ะอืพอนึกปุ๊บแล้วมันมันขาดไปเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันไม่มีความรู้สึกที่เจตีชั่วอัะนั้นเราตัดด้วยสมาธิอ๋อค่ะเป็นสมถะค่ะ แต่อแล้วหนูตกใจว่าเป็นเป็นอะไรหนูหใจหนูมั น, เ ป, นมเป็นอะไ ร, รมากอ๋อค่ะหนูก็เลยแบบอายุก็รู้อยู่กับรู้อยาคิดอย่าคิดอะไรเงี้ยมันนั้นก็สมถะค่ะหนูควรทายังไงต่อไปคะก<ค>็ดูไปพยายามแยกนะกายก็อันหนึ่งนะความเจ็บปวดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่ง ค, ความสงสัยไว่จะทํายังไงดีก็อีกอันหนึ่งก็แยกออกไปได้ล้วบากมากเลยค่ะเพราะมันชอบสงสัยค่ะนั่นแหละจุดอ่อนไปดูตัวนี้แหละค่ะ เวลาภาวนานะแล้วก็สงสัยนี่สงสัยก็คิดไปเรื่อยๆกราบมณัสการหลวงพ่อค่ะขอาการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะเริ่มปฏิบัติมาประมาณจริงจังประมาณครึ่งปีอะค่ะก็คือครึ่งปีทำได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วล่ะก็เวลาอยู่ในรูปแบบก็คือจะใช้เหมือนลมหายใจแล้วก็มีพุโทโธกากับนะคะแล้วก็ก็เวลาปฏิบัติมันก็จะพบว่า จะดูจิตชัดกว่าดูกายอะค่ะแล้วก็พอในชีวิตประจําวันอะคะ่ะก็คือพอมีใจจะดูจิตได้ได้บ่อยมากขึ้นก็คือก็เริ่มแรกๆ ก, ก็คือจะดูดูรู้ทันความโกรธพ อ, อหลังๆนี่ก็คือจะรู้ทันความคิดกับความฟุ้งซ่านดีครับถูกแล้วละ่ะถูกแล้วภาวนาใช้ได้ก็ทําอย่างนี้ต่อไปนะคะสังเกตไหมเราเปลี่ยนไปแล้ว ความรู้สึกมันเปลี่ยนนะความรู้สึกกับโลกก็เปลี่ยนโลกห่างออกไปนะรู้สึกไม่โลกแบนดูมันมันราบราบดูมันไม่ค่อยมีอารมณ์เอมันเรียบเรียบเนี่ยทฤษฎีโลกแบนพอพอนาไปนะเห็นโลกแบนราบเป็นหน้ากลองเลยะคือไม่มีอะไรที่จะมาเราั้วใจเราให้กระโดดลดเต้นเลยค่อยๆฝึกไปโลกนี้จืดโลกนี้จืดชืด โลกนี้มัน้อยเหมาะกัคนหลงเท่านั้นแหละไม่ได้เหมาะกับผู้รู้หรอกผู้รู้อยู่กับโลกนี้ต่อไปไม่ได้หรอกกลับ ม, มาพูด ก, การหลวงพ่อค่ะคือเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาปีที่แล้วอะค่ะโดยการนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ทําทุกวันก่อนนอนโดยที่ตอนเริ่มอะทําไม่เป็นเลยก็ใช้วิธีการกําหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธแรกๆเนี่ย ทำได้แค่ประมาณสิบสิบห้านาทีมันฟุน่งลวงพ่อถึงขอแค่สิบห้านาที<ส>ไม่ขอเยอะจากนั้นก็มันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงคือเรารู้สึกได้ทุกวันว่ามันมีพัฒนาการอืแล้วก็มันจะมีจุดช่วงหนึ่งที่มันคิดว่าเป็นจุดพีของตัวเองนะคะคื อ, ค, อคือรู้สึกว่าจิตมันรวมมันนิ่งแล้วมันแยกออกมาแต่แต่ถามว่าถามว่าเคยเคยฟังคลิปของพ่อค่ะคือบอกว่าแยกจิตแยกกายอะไรย่างเงี้ยคือก็ยังไม่แน่ใจ ว, ว่าอันเนี้ยใช่หรือเปล่า แต่ก็รู้สึกได้ว่ามันแยกห่างมันยเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นนะคะแต่เราไม่รักษานะไม่ใช่ประคองให้แยกตลอดนะมันมีพยายามยึดติดอยู่อย่ากจะให้ถึงจุดที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าพยายามแล้วมันจะไม่เกิดค่ะก็จะรู้ตัวว่าทีนี้มันก็จะมีจุดที่เสื่อมลงคือมันทําไม่ถึงจุดนั้นออืก็จะมีจุดที่ได้แค่พุทธโธแล้วก็ฟุ้งไปแล้วก็กลับมาพุดธโธแล้วก็ฟุ้งไปแล้วก็มีจุดหนึ่งค่ะที่ยังเป็นปัญหาคือ หลังๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าพอจุดจิตมันจะเริ่มรวมอยู่ๆเหมือนเหมือนเรามีตัวที่มันรู้ตามวิ่งตามไปเลยอะค่ะแล้วกลายเป็นมันไม่รวมมันโตมากมันรู้มากไปมันเหมือนพยายามจะแท็กกิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลงมามันไปจําอาการที่จิตจะรวมได้ใช่ค่ะพอมันจําได้นะมันก็ไปบิวหรือไปเชียร์มันจะให้มันรวมนะไม่รวมหรอกมันจะฟุ้งแทนเนี่ยแหละค่ะตัวนี้ต้องใช้ความชํานาญอเป็นทักษะแล้วเนี่ย ทฤษฎีเนี่ยพูดง่ายก็บอกเอย่าบปยุ่งกับมันสิแต่ในลงมือทําจริงมันทําไม่ได้ใจมันจําได้แล้วก็จุดที่แก้อยู่ตอนนี้คือพยายามจะนั่งนั่งอาวนาพุทโธเหมือนเดิมแล้วก็แต่มันไม่ค่อยคิดละคะช่วงนี้แต่จะเป็นเปลี่ยนเป็นตอนนี้หูได้ยินแล้วก็รู้ได้ยินเสียงทีวีรู้ตอนนี้รู้สึกที่มือรู้อะไรยเงี้ยค่ะก็จะทําให้กลับเข้ามาสู่ความจุดจิตรวมได้นิดนึงประมาณ คือพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแนละ้วหนูดูร่างกายไปเลยนะดูร่างกายไปดูตั้งแต่หัวถึงเท้าดูไปเรื่อยไม่มีตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูบ่อยๆนะแล้วก็ถ้าความรู้สึกอะไรเด่นชัดก็รู้ที่ความรู้สึกถ้าความรู้สึกไม่มีให้ดูมันเฉยๆดูร่างกายช่วงนี้จิตจะติดเฉยเยอะ <ทำ S 1> นั้นเ <ทำ S 1> มว่าจิตนะมันติดเฉย อ, ยอยู่อย่างนี้ให้ดูกายให้เยอะ กายมันไม่เฉยเรากายมันอยู่อย่างนี้แหละคือหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการดูกายอะคะ่ะเพามันยิ้มหวานสิเนี่ยเห็นร่างกายเห็นไหมถ้าผมใจยากอะไรคือ่าคือประเด็นคือหนูนั่งสมาธิแต่ถามว่าระหว่างวันมันไม่ค่อยรู้สึกตัวคะ่ะจะรู้แค่ช่วงที่แบบหัวเราะเยอะๆขึ้น ม, มันพี ข, ขึ้นมาก็จะถึงรู้ตัวคือใจเรานเนี่ยติดสมาธิแบบนิ่งๆเยอะไปสมาธิที่นิ่งๆเนี่ยเวลาไปอยู่กับโลกข้างนอกแนละ้วมันใจไม่ค่อยกระเทือนไม่ค่อยมีอให้ดูหรอก เมื่อเราดู ก, กายให้เยอะไว้เอากายมาช่วยหน่อยในการเดินปัญญาคิดพิจารณาลงในร่างกายว่าผมนี้ไม่ใช่ตัวเราคนเล็บฟันหนังเนื่อองกระดูกนะไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปไปเป็นก้อนธาตุเป็นส่วนส่วนไปพามันคิดใจจะได้ไม่ติดเฉยปัญหาตอนนี้คือจิตมันติดเฉยเพราะงั้นให้มาดู ก, กายมาแยกกายเป็นส่วนส่วนพิจรารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีละส่วนทีละส่วนไป ใจจะได้เคลื่อนไหวออกมาได้นะติดสมาธิไปคุณหลวงพ่อค่ะสังเกตนไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ไปดูจิตทำไมไม่ได้ให้ดูจิตเพราะเวาเราติดสมาธิอยู่เนี่ยจิตไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะนนเนื่องคนซึ่งมีสมาธิมากเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะกับพวกทำสมาธิยอะคือดูกายกายานุปัสสนานเลยเหมาะกับสมถะญาณิก จิตตานุปัสสนานะเหมาะกับวิปัสสนาอย่างนี้คนที่ไม่ได้เล่นชันงั้นเมื่อเราติดสมาธิแล้วให้มาดู ก, กายให้มากมากไว้เห็นร่างกายกราบไม่ใช่เรากราบช่วยมันพิจารณาไปกราบมรณสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวกูเก็ง<อ>ก็เจอไหมเจอค่ะเจอทุกวันเจอทุกวันเลยนะ เพราะว่าทํางานที่จะต้องออกความคิดความเห็นตลอดเนี่ะก็เลยรู้สึกว่าเห็นทุกวันค่ะก็หนูเห็นนะต่อไปหนูจะเป็นคนน่ารัก <c oughs> รู้ไหมเพราะกิเลสตัวเนี้ทําให้คนเกลียดค่ะทุกวันนี้ก็ก็เห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเรายอมรับฟังความเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วก็พูดน้อยความเห็นตัวเองน้อยลงค่ะไม่ได้เชื่อคนอื่นแต่ไม่ค่อยพูด สิ่งที่เราคิดมากกว่าคือแทนที่เราจะเชื่อที่เราคิดคนเดียวนะเราฟังคนอื่นได้เยอะขึ้นแล้วบางทีเราก็เลยคิดอะไรได้กว้างขึ้นถ้าเราเป็นนักบริหารเราก็ต้องรู้จักฟังแต่ไม่ใช่แกล้งฟังต้องฟังด้วยใจที่เปิดจริงๆถึงจะได้อะไรที่ใหม่ๆถ้าเราเซลจัดเนี่ยเรายิ่งเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคนอื่นจะไม่ออกความเห็นสุดท้ายเราก็คิดอยู่คนเดียวส่วนี้อันตรายกับองค์กร ทีนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยคิดว่านะคะว่าเราเราแยกกายได้โดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดะคะ่ะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้อีกใหไปคิดอย่างนั้นคือ <c ười> <c ười> ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเห็นกายแยกออกไปเองนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละคือมันรู้แต่ไม่เจต น, นาจะรู้ใช่ค่ะที่หลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อจะสอนพวกเราเชิงทั้งมันอัตโนมัติไง แต่ว่าถ้าอย่างทําอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้ให้ดูกายอย่างยิ้มให้ดูยิ้มเนี่ยคือเราดูแบบเราตั้งใจดูมันไม่ใช่รู้ถูกไหมคะใหม่ๆก็ต้องตั้งใจไปก่อนอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะให้วันหนึ่งมันพัฒนาเป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะคือที่มันอัตโนมัติได้เพราะมันเคยชินที่จะรู้สึกมันเคยชินที่รู้สึกเพราะพามันดูบ่อยๆพามันรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งมันชินทําไมเราหลงบ่อยเราหลงกันทั้งวันเพราะอะไร จิตเราเคยชินที่จะหลงมีกฎของธรรมะ ม, มีธรรมานิยามอยู่ข้อนะจิตเนี่ยเป็นไปตามความเคยชินถ้าจิตเคยชินจะหลงก็หลงเก่งแต่เราจะมาฝึกจิตให้รู้สึกตัวเราหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปจิตเคยชินที่จะรู้สึกนะไม่เคยชินที่จะหลงพอหลงปุ๊บจะรู้สึกปั๊บเลยไม่หลงยาวหรอกก็โนูหนูปฏิบัติช่วงที่ ช่วงแรกๆเนี่ยจะขยันมากค่ะเพราะว่ามีมีทุกข์มากแล้วก็พอพอเห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นโทษะของตัวเองแล้วก็เห็นตัวกูเก่งที่ที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเรานิ่งขึ้นใจเรานิ่งขึ้นใช่ไหมคะพอหนิ่งเสร็จเลยเลยไม่รู้จะดูอะไรเพราะว่าชอบเห็นเฉพาะจิตที่เป็นอกุศล น, นะคะพอเป็นกุศลมันไม่ค่อยเห็นค่ะไม่ไม่มีดูจิตไม่ออกแล้วดูกายเลยค่ะจริงๆเราเป็นคนรักในร่างกายเยอะนะ รักสวยรักงามอะไรเงี้ยงั้นถ้าจิตเราบ้างแล้วไม่มีอะไรให้ดูเราดูกายเลยให้เห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ทำทำในรูปแบบคือนั่งสมาธิทุกคืนค่ะแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยฟุ้งมากค่ะหลวงพ่อไม่นั่งมาเป็นปีก็ฟุ้งอย่างเดิมเลยค่ะไม่เป็นไรนที่เราก็ปฏิบัติไปรู้เฉยๆพอใช่ไหมคะยิ่งอยากสงบ<ๆ>ยิ่งไม่สงบหรอก หนูไม่อยากสงบค่ะคือเหมือนกับว่านั่งฟุ้งก็รู้ฟุ้งก็รู้ออรู้ไปอยู่นั้นแต่ก็ฟุ้งเท่าเดิมเลยนะคะให้ดูตรงนี้โทสะมันแทรกเราไม่เห็นเราลาคาญมันเต็มประดาแลนะ้วแต่เรา<ช>ทนนั่งไปให้รู้ทันใจที่ลาคานอนะ่ะไปดูนะใจมันลาคาญมันหงุดหงิดอนะ่ะค่ะไปดูตัวนี้เข้าไปค่ะอหนูที่ใส่แว่นตาเนี่ยเวลาที่เราดูสภาวะนะอย่าให้ใจมันถลําเข้าไปถ้าใจมันไหลเข้าไปดูนะ ใ, ใจมันจะเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้ให้เรารู้ทันว่าใจมันไหลไปใจมันจะตั้งขึ้นมาเป็นคนดูงั้นเราจะจมลงไปมีพระองหนึ่งนะอาอยุเยอะแล้วมาเรียนกับหลวงพ่อนานเลยเรียนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจบอกท่านว่าจิตมเคลื่อนอะไรอนี้ท่าไม่เห็นวันหนึ่งท่านไปกวดัดวัดนะกวัดใบไม้ท่านเห็นจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้ อันทีที่เห็นว่าจิตไหลไปอยู่ที่ใบไม้นะภาวะแห่งการตื่นก็เกิดขึ้นเลยก็รู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยใจเราไหลนึกออกไหมเนี่ยให้รู้ทันตัวเนี้ยภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะค่ะก็ขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะก็ไปดูใจนะใจมันมีโทสะแทรกเป็นระยะระยะดูบ่อยๆค่ะเห็นไหม เห็นค่ะเออโทรศัพท์มันขึ้นเรื่อยนะไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราไม่ยอมดูให้ดูการขอบคุณหลวงพ่อแต่ว่าหลวงพ่อชมนะว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนมากชีวิตหนูดีขึ้นมากตั้งแต่ได้ซีดีแผ่นแรกของหลวงพ่อจนปัจจุบันเนี้ค่ะอนุโมทนานะหนูดีขึ้นมากเลยนมัสการครับหลวงพ่อก็ เพิ่งเริ่มปฏิบัติต่อเ น, นื่องมาประมาณ6เดือนตั้งแต่กรกดาครับก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเกือบทุกวันคือถ้าตอนตอนนั่งนี่ก็ เ, เหมือนก็นจะมีฐานอยู่ที่ลมแต่ตอนเดินนี่ผมไม่รู้ไปฐานอยู่ที่ไหนคือโดยนิสัยเราช่างคิดนะ พื้นเดิมเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะกัเราก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะฉะั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเรารู้ลมเนี่ยก็ให้รู้ทันจิตมีลมเป็นแบ็คกราวน์เท่านั้นเองแล้วคอยรู้ทันจิตจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้นะหายใจไปรู้ทันจิตไปเวลาที่เราไปเดินจุกลมเราก็ใช้หลักเดิมแต่แทนที่จะรู้ลมหายใจเราเห็นร่างกายเดินแต่รู้ทันจิตไป เดินไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เดินแล้วจิตทุกข์ก็รู้เดินแล้วจิตสงบก็รู้เดินแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะใช้จิตเป็นฐานไปทำตอบไหมพ อ, อ, อทางที่ผมเดินนี่พอพอใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้นะแต่ว่ามันยังฟุ้งเก่งอยู่ ใ, ให้คอยรู้ทานจิตบ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับครับมิสการหลวงพ่อคะ่ะ เมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้จิตอุ้งยังเบิกบานอยู่เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยม่นชอบไหลครับในโหมดเศร้าๆตื่นขึ้นมาก็ไปอเราอย่าไปยอมสิอย่าไปจมมันติดล็อกอะไรอยู่ไหมคะฮะมันติดล็อกอะไรอยู่อย่าไปกลัวมันอย่าไปกังวลว่าติดไม่ติดนะไหลเข้าไปก็รู้ติดอยู่ก็รู้อยากหลุดออกมาก็รู้ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันไม่ติดอะไรหรอกที่มันติดได้เพราะใจเรายังไม่เป็นกลาง อย่างมันเราไม่ชอบอันนี้เราชอบอันนี้ก็เห็นว่ามันมันบังคับไม่ได้แต่มันก็แต่ไปเกิดมโทสามันเกิดก็ก็เห็นตัวนั้นแหละที่ทําให้มันไม่หลุดเพราะจิตตัวนั้นไม่ได้มีสติจริงจิตัวนั้นเป็นโทสามูรจิตแต่ใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่ในภาพรวมขันมันแยกดวออกไหมออกค่ะ แยกขันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยว่าถ้าแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยอวดเราเรื่องเดินปัญญานะื่อขันมันแยกได้แล้วเราก็เห็นขันมันทํางานไปแต่ว่าเราต้องเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนี่บางช่วงเจริญเราก็พอใจพอช่วงมันเสื่อมเราไม่พอใจเราไม่เห็นว่าใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี้พอใจเป็นกลางแล้วทุกอย่างเท่ากันหมดเลยก็การปฏิบัติจริงๆต้องเบิ่บานตลอดหรือเปล่าคะ ไม่หมดไม่เบิกบานตลอดจิตผู้รู้ <c oughs> ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่เที่ยงหมายถึงว่าโดยภาพส่วนใหญ่สร้างเบิกบานใช่ไหมจิตเนี่ยนะกระทั่งจิตพระอรหันต์นะมีเวทนาสองชนิดนะไม่ใช่มีแต่โสมนัติเวทนานะมีอุเบกขาด้วยนะยงั้นจิตสลับกันเดี๋ยวก็เป็นโสม น, นัตเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขายังไม่ใช่โสมนัตตลอดเป็นไปไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอกก็งั้นก็คือว่า ุก็ดูต่อไปตามที่คุณดูแล้วก็รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้พอมันเสื่อมเนี่ยไม่ชอบให้รู้ตัวนี้ออแล้วที่ผ่านมานี่จเจริญปัญญาบ้างวหมคะเพราะว่าเห็นมันก็บัคับไม่ได้เนี่ย <c oughs> จเจริญแต่โทรสัมันแทรกการบ้านรู้ทันไรู้ทันจิตไปไ<ม>โทรศัพทมันเข้ามามันไม่เป็นกลา ง, างหาดรู้สภาวะนะเมื่อรู้สภาวะแล้ว จิตยินดียินร้ายให้รู้ทันมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางด้วยสติเมื่อจิตเป็นกลางด้วยสติแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเกิดระดับทั้งสิ้นสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วก็เท่าเทียมกันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจุดที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี่คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรค งั้นก่อนจะถึงเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยต้องผ่านเป็นกลางด้วยสติก่อนโดยการรู้ทันตัวที่ไม่กลางนะฝึกต<อ>ัวนี้เยอะๆนะคบขอบคุณค่ะขอโอกาสครับลุงพ่ อ, อส่งการบ้านรอบที่แล้วหกปีก่อนนะครับต้องนานรจริงครับลุงพ่อให้การบ้านบอกว่าให้กลับไปทำในรูปแบบกลับไปทำสมถะนะครับจากนั้นก็วิกฤตในชีวิตพี่สาวเสีย อย่าเป็นอมตะนะครับแต่ว่าจิตเนี่ยสว่างสวัยขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยพ้นวิกฤตแล้วหลวงพอ่อจิตกับสติกับไม่ไม่ดีเหมือนกับตอนที่ชีวิตวิกฤตคือชีวิตโดยรวมมีความสุขขึ้นแต่คุณภาพของจิตเหมือนกับลดลงก็เลยอยากจะกลับมาขอการมาอีกรอบหนึ่งครับหลวงพอ่อเวลาที่มีความทุกข์มีปัญหานะนักปฏิบัตนะิจะเข้มแข็งเพราะไม่มีที่พึ่ง พอสบายแล้วเราจะช่วยอันนี้เป็นทั่วๆไปแหละเรามีวิในไหมยังไงก็ต้องทําครับทุกวันนี้นี่ตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระทําในรูปแบบรู้ทันกิเลสรู้รทันกิเลสไปนะอย่างตัวยึดในความเห็นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวยึดในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยเห็นครับหลวงพ่อหลวงพ่อทักเมื่อกี้เห็นเลยครับเออนั่นแหลหัดรู้ไปอย่างนี้นะเราจะรู้กิเลส กิเลสมันซับซ้อนอ่ะมันประณีตมันมีหลายชั้ น, นเรารู้แล้วกิเลสหยาบหยาบโลกโดดลงเรารู้แล้วอันนี้เป็นกิเลสชั้นละเอียดละเอียดเข้าไปตัวนี้ก็เป็นมันความสุขของชีวิตเราเหมือนกันรู้ทันมันไปนเรื่อยวันหนึ่งจิตก็เป็นอิสระกิเลสตัวไหนที่จิตรู้ทันแล้วตัวนั้นจะหลอกเราไม่ได้จะเอาตัวที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นมาหลอกกิเลสตัวที่ร้ายที่สุดน่นคือตัวอวิชชา มันไม่รู้ทุกของคุณที่ฝึกมาไม่เสียหลายหรอกนะเข้าใจได้ครับก็ก็ตอนนี้การมากก็คือให้ไปรู้ทันความเห็นรู้รู้ทันความเห็นนี่เป็นตัวอย่างนะหมายถึงรู้ทันกิเลสกิเลสมันประณีตกิเลสยิ่งละเอียดเนี่ยยิ่งดูยากหน้าตามันจะเหมือนกุศลยิ่งกิเล ช, ชั้นสูงเลยนะหน้าเหมือนกุศลเลยอย่างตัวมานะนะมานะ มานะของอย่างพระนาคขาเนี่ยมีมานะแต่มานะเนี่ยไม่ใช่กูเก่งนะมานะโอ้เมื่อไหร่เราจะได้อย่างอาจารย์อย่างงี้ฉันรู้สึกอย่างนี้หรืออุทธ จ, จักรความฟุ้งซ่านคนอื่นเขาฟุ้งซ่านในกามอย่างพระนาคขาฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมะดิ้นรนค้นคว้าว่าทํำไงใจหลุดพ้นทําไงจะหลุดพ้นใจยังค้นคว้าอยู่เนี่ยอุทธจักรมันหน้าตานะมันเหมือนกุศลนะมันดูยังไงก็ไม่เป็นกิเลสอะดูยาก รู ป, ปราคารู ป, ปราคาดูแล้วเขาเป็นคนดีไม่อยากยุ่งกับใครสงบวันมันอยู่แต่ความสุขความสงบแหมดีจังเลยในกิเลสอาวิชายิ่งร้ายที่สุดเลยจิตเอาวิชาดวงนี้เป็นจิตที่สว่างสวัยมากเลยผองใสประพัดสอนดูแล้วไม่มีกิเลสเลยมันเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นของดีของวิเศษมันไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ มันบังทุกอยู่เท่านั้นเองไม่เห็นทุก เ, เพราะฉั้นเวลาเราภาวนานะเบื้องต้นเราก็เห็นกิเลสหยาบๆไปต่อมาเราก็เห็นกิเลสที่ละเอียดตระณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายกิเลสเขหลอกเราไม่ได้ไม่มีที่ในจิตใจเราที่กิเลสจะซ่อนได้ค่อยฝึกไปดีแล้วละ่ะครับขอบพระคุณครับนวัดสมการหลวงพ่อนะครับ <c oughs> เห็นไหมว่าเราเปลี่ยน เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมนิดหน่อยครับเห็นนิดหน่อยก็จริงๆได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนที่สวนสันติธรรมนะฮะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมามาฟังบ้างไปฟังบ้างฟังบ้างไปฟังบ้างแต่ก็ช่วงที่ทำได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าเหมือนกับมาผมบริกรรมไปด้วยแล้วก็ผมได้มองตัวเองไปด้วยซึ่งก็พอ บริกรรมไปด้วยแล้วก็เห็นว่าเออเห็นตัวเองหายใจไปด้วยเห็นตัวหายใจไปด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันจะค่อนข้างกลับมาเป็นจังหวะเดียวกันซึ่งก็เลยงงๆให้แล้วตกลงเรามองเห็นตัวเองหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองว่าเราคือหายใจไปพร้อมๆกับบริกรรมหรือบริกรรมไ ป, ไปพร้อมๆกับบริกรรมไปเรื่อยๆนะให้จิตมันมีบ้านอยู่ครับที่ฝึกอยู่อย่างนั้นแหละถูกมันถึงจะมีแรงอืจิตไม่มีบ้านอยู่จิตไม่มีแรง ทำถูกแล้วลนะหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองเลยท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ถนัดบริกรรมพอบริกรรมนะจิตมันเหมือนจะแตกเลย mm. เราไม่เอาบริกรรมเราใช้หายใจอ mm. ืเสร็จแล้วจิตก็รวมลงที่เดียวกันแล้วจิตรวมลงมาแล้วเราก็ดูจิตมันทํางานไป mm. ไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งนะข <Yeah. S 2> อบคุณใช้ได้นะจิตมันมีกําลังขึ้นมาแล้ว รบกวนถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับตอนที่อย่างบริกรรมเนี่ยผมคล้ายๆกับว่าไหนๆจะบริกรรมแล้วผมก็เลยเอาคาถาอย่างของหลวงปู่ทวดเนี้ยนโมโพธิสัตโตภานียา่ยติดพักว่าบริกรรมไปด้วยกลายเป็นคล้ายๆแทนพุทโธพุท้อะไรก็ได้นะคําบริกรรมให้สําคัญหรอกสําคัญคือมันเป็นเหยื่อตกปลาเราจะกินปลานะที่จะจับเอาจิตมาให้ได้อื ปลาตัวนี้ไม่ชอบกินพุตโตปลาตัวนี้ชอบน้โมโพี่สัตโตคันติมายะอิติภะกวาออก็ให้มันกินแค่นี้แหละครับบางคนยาวกว่า น, นี้นะบางคนยาวมากเลยสวดไปเรื่อยเรามาโอ้ยอย่างนั้นไม่ได้กินนะยาวเกินไปไม่ดีอะื<ป>่อคนเล่นบริกรรมชินนบัญชรโอ้ยจิีนนี้ไปตั้งห้าร้อยรอบนะอย่าให้ยาวเกินคงั้นก็ให้ผมทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับได้ บริกรรมนะแล้วรู้ทันจิตไปครับบริกรมรมแล้วสงบก็รู้ฟุง้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้จักคุณแม่จันดีไหมเคยได้ยินชื่อไหมเคยได้ยินน้องหลวงตาคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวานามาอย่างไงจิตลงที่เดียวกันเท่านี้บอกว่าอาตมาใช้อนาปนสติหายใจนะพอลมมันระงับไปมันเป็นแสงอยู่ที่นี่ที่จมูกเนี่ยเป็นแสง แล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกทั้งนั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธ ท, ท่านบริกรมรมท่านพุทโธแล้วท่านเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล้วจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธพุทโธพุทโธหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธหนีแล้ว ร, รู้ทันสมาธิที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต่อการที่ทําอยู่เนะี่ยใช้ได้นะจิตมีกําลังขอบคุณครับ กลาบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้หนูดีใจมากคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ทุกหนักวันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอดีขับรถมาที่เพื่อให้คุณพ่อพักฟื้นหลังจากไส้ติง่งแปะแล้วก็ผ่านมาเห็นป้ายขึ้นที่หน้าโรงเรียนลุงอรุณหนูเคยฟังธรรมหลวงพ่อคะ่ะเมื่อห้าหปีที่แล้วนวันนั้นมีพี่หนูทุกมากมีพี่แนะนาให้ได้รู้จัก ก็เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะหลวงพ่อก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากหนูเป็นคนที่เหมือนกดอารมณ์ตัวเองอะค่ะ mm hmm. แล้วก็ทราบว่าตังทุกข์ก็พยายามจะรู้ทุกข์แต่มันก็ไม่เห็นหายทุกข์อาการหลวงพ่อตอนนี้ก็ก็หลังจากพอชีวิตก็เราพยายามปฏิบัติมันก็เริ่มดีขึ้น mm hmm. ก็ละเลยค่ะหลวงพ่ออ้าวเหรอ หนูก็รักเลยสิว่ามันไม่ถูกอะค่ะมันก็ละเลยหลงไปกับโลกหลงไปกับความสุขอื <c oughs> พอวันนี้เนี่ยพอเริ่มกลับมาทุกข์เราก็คิดได้อ <c oughs> วันก่อนเพิ่งได้หยิบหนังสือทางเอกของหลวงพ่อค่ะว่าจะเริ่มกลับมาอ่านทบทวนอีกครั้ง <c oughs> ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าคุณพ่อก็เจ็บป่วยหนูก็เฝ้าคือเราไม่รู้นะว่าปัญหาในชีวิตเรามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ค่ะเราต้องเตรียมความพร้อม ที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ได้เราต้องอยู่ได้ไม่ล้มละลายทางจิตใจต้องซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมนะเหมือนไม่หัดว่ายน้ำรอตกน้ำก่อนไม่ทั น, น่ะค่ะหลวงพ่อซ้อมนะที่คุณซ้อมมาก็ใช้ได้นะการที่มีปัญหาเรื่องคุณพ่ออะไรเนี่ยทำให้ใจมันตื่นตัวขึ้นมาดูสีกายก็อันหนึ่งใจก้อนหนึ่งค่อยๆสังเกตเห็นไหมว่ามันแยกได้ของคุณะแยกขันได้แล้วละ กายก็อันหนึง่งใจก็อันหนึง่งแต่บางทีมก็รวมกันแล้วดูความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็คนละอันกันดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูไปถึงจุดหนึง่งจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าทางเราเห็นนะกระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายของพ่อก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันไม่ใช่พ่อด้วยเพราะฉะ ม, มันเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุอยู่มาแล้วนา น, านๆมันก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อพ่อจะตายใจยังไม่หวั่นไหวเลย เพราะราใจมันยอมรับความจริงดูลงไปเรื่อยมันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีแต่วัตถุมีก้อนธาตุแล้วก็มีความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแล้วก็พ้นทุกข์ไปเราอยู่กับโลกแต่เราไม่ทุกข์กับโลกอีกต่อไปแนะ้ ค่ะหนูขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะปฏิบัติยังไงคะหลวงพ่อหนู <bureau S 1> <itan ic. S 2> ไม่เคยวิปัสนาเลยหนูไม่ต้องคิดคำว่าวิปัสนาหรอกวิปัสนาไม่ต้องคิดเอาหรอกค่ะเห็นแม่ร่างกายก็อยู่ส่วนนึ่งใจเป็นคนดูหรือว่าเห็นว่าความสุขความทุกข์มันมาแล้วก็ไปความกังวลใจมันมาแล้วก็ไปไล่มันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับความรู้สึกนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกเท่าไหร่ไม่คงที่ความรู้สึกเท่าไหร่บั ง, บงคับไม่ได้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรืร่อยๆถ้ามันไม่เห็นก็สอนมันไปค่ะกลับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหนูจะตั้งใจปฏิบัติค่ะต้องสู้นะไม่งั้นต่อไปเวลาชีวิตมีปัญหานหนักๆเราสู้ไม่ไหวค่ะขอบพระคุณมันนักมวยไม่เคยซ้อมโชคนะขึ้นโชกก็ตายเลยกลับน้ำมันสัการหลวงพ่อเจ้าค่ะเต้นไหมตเต้นไหม ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากหรือตื่นเต้นน้อยตอนนี้น้อยลงค่ะเห อ, อเห็นไหมไม่เที่ยงอย่างที่ถือนี้เรียกว่าดูเป็นแล้วไงอีกหนูใครสง่งไปบ้านหลวงพ่อเมื่อคราวที่แล้วที่หลวงพ่อมาโร ง, งเรียนลุงอรุณ น, นะคะหลวงพ่อบอกว่าฟงเยอะหนูก็กลับไปถามค<า>่ะไม่ได้ใส่รลายค่ะเยอะเลยแล้วหนูก็เห็นกิเลสเยอะค่ะนั่นแหละดี การภาวนานะไม่ใช่ทำอะไรหุ้นงุ้นงุดไปนะหลับหูหลับตาหายใจไปขยับมือไปทำใจนิ่งนิ่งว่างๆไม่ได้เรื่องหรอกดูเห็นกิเลสนะก็ดีแล้วกิเลสเกิดได้กิเลสดับได้กิเลสมาเองกิเลสไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอยากคิดว่าจะชนะนะยังอยากชนะไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยสิทำไมเหนื่อยเพราะจะเอาชนะมันถ้ารู้อย่างที่มันเป็นจะไม่เหนื่อย ที่เหนื่อยเนี่ยเพราะอยากชนะมัน mm hmm. ถ้าเราแค่ดูนะจะไม่เหนื่อยถ้าเราโดดลงไปเล่นเองว่าจะเอาอย่างนี้อยากเอาอย่างนี้เหนื่อยเห็นหน้าก็รู้ว่าเหนื่อยนะดูไปเรื่อยๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูมันดูคนอื่นไปทําเอาไปอยู่ปฏิบัติอยู่ในร่องรอยฐานะไหยคะสังเกตไหมล่ะว่าขันมันแยกได้ บางครั้งค่ะถูกถ้าทุกครั้งมันก็เกินไปคือหนูเห็นแบบเหมือนบางทีเราสวดมนต์ใช่ไหมคะมคือเราก็เห็นมือที่สวดอยู่ ห, หนะ็ไม่ใช่เราหรอกไม่ได้คิดเองใช่ไหมไม่ได้คิดเองรอเรียนกับหลวงพ่อนะมันไม่ใช่คิดเราเองนะอย่างขันมันแยกมันก็แยกได้เองนะพอ แ, แยกแล้วแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรามันก็เห็นเองอะ มันอยู่ที่พิธีว่าใจเรามีสมาธิถูกต้องหรือเปล่าถ้าใจเรามีสมาธิถูกละขันมันก็แยกได้มันก็เห็นแต่ละขันไม่ใช่เราได้ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาพาวนากันแทบตายแล้วไม่ได้ผลเนื่งเพราะเอาแต่บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกได้แต่ความลำบากอย่างนี้เราไปพาวนาเราก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไปได้เรื่อยๆหมดแล้วมั้ง ขอถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อและพ่อแม่เจ้าคขาขอกลับขอเข้ามาหลวงพ่อได้เจ้าค่ะได้ได้ไม่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่คนมาขอเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะไปไหนก็มาขอเรื่อยทั้งๆที่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้ยมันเป็นสังคมสื่อฟังอะไรก็วิจารณ์ต่อๆไปเรื่อยๆนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็พูดไปเรื่อยๆวันดีคืนดีก็ก็มาขอเข้ามา อุตสาห์ประกาศไปแล้วทาไมขอให้ทุกคนเลยไม่ต้องมาขอาก็ได้ที่จะขอเข้ามานะไม่ถือหรอกช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้สมาธิภาวนากันสักอึดใจนะคะเตรียมพร้อมกายวาจาใจสำหรับที่จะถวายพระตไตรยธรรมค่ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรจตรุปัจจัไทยธ ร, รมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจตรุปัจไทยธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน ยถ า, าวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิ ป, ปเมวาสมิฉตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถ า, ามณีโชติรโสยะถาสัภีติโยวิวัตชันตุสพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะ อภีวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจจัยโยจ ต, ตาโรโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุวพ่ อ, อนุมอนากับทางโรงเรียนด้วยนะรเรียนพวกเราก็ภาวนาเข้าเจอกันที่ไหนก็ต้องส่งกันบ้านนะั่งทีปกติเจอหลวงพ่อไม่มีคุยเรื่องอื่นไม่เคยถามเลยสบายดีเอยมีถามอะมันจะสบายได้ไงมันมีแต่กองทุก เราก็ดูถ้าเราภาวนานะชีวิตจิตใจเราจะดีขึ้นเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักแบบมอบกายทำบายชีวิตได้เลยเราไม่ใช่ศรัทธาโง่งมง่ายหรอกแต่ว่าใจมันถึงพระจริงๆฝึกเอานะชีวิตสั้นนิดเดียวตายเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องรีบฝึก